จเจริญพรท่านผู้มีจิตสัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่สิบสองธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้า้อยห้าสิเก้าเป็นวันหยุดชดเจยเนื่องในวันล่ทธรรมโนนที่ตรงกับวัน เสาที่ผ่านมาตามราชการจึงได้กำหนดวันชดเชยให้หนึ่งวันเพื่อยาติโยมจะได้มีเวลาว่างไปทำภารกิจต่างๆภารกิจนั้นก็มีหลายแบบด้วยกันภารกิจที่เป็นประโยชน์ก็มีภารกิจที่เป็นโทษก็มี กับจิตใจแต่เรามักจะไม่รู้กันเราจึงมักไปทําภารกิจที่เป็นโทษกับจิตใจแล้วเราก็ต้องมาวุ่นวายใจมาทุกข์ใจกันแต่ถ้าเราได้มาวันมาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเราจะรู้ว่าการกระทําแบบไหนเป็นคุณเป็นประโยชน์ กับตัวเราการกระทำแบบไหนเป็นโทษกับตัวเราถ้าเราไม่ฟังเราไม่ได้ยินเราก็มักจะไปทำการกระทำที่เกิดโทษกับตัวเราเพราะเราไม่มีปัญญาเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่ทรงเห็นคุณและโทษของการกระทำของพวกเรา ที่จะเกิดกับจิตใจของพวกเราพวกเราเห็นแต่ประโยชน์ที่เราสัมผัสได้แต่เราไม่รู้ว่าประโยชน์หรือความสุขที่เราสัมผัสได้นี้เป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเหมือนกับปลาที่ไม่ฉลาดเห็นเหยื่อติดอยู่ปลายเบ็ดก็ไปฮุบเหยื่อพอฮุบเข้าไปก็เลยต้องถูกเบ็ดเกี่ยวปาก ถุกคนที่เขาเป็นเจ้าของเบ็ดลากขึ้นไปแล้วก็เอาไปต้มเอาไปแกงเอาไปกิ น, เ, กนเนี่ยความสุขของพวกเราที่เราคิดว่าเป็นความสุขนี่มันเป็นความสุขแบบเยื่อติดอยู่ปลายเบ็ดพอติดแล้วเราก็ต้องพบกับความทุกข์ต่างๆเช่นการที่เราไปหาความสุข ทางตาหูจมูกนิ้นกายกันเนี่มันเป็นความสุขแบบ mm hmm. เหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดพอเราไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายเราก็มีความสุขกันแต่พอเรากลับมาบ้านความสุขที่ได้นั้นก็หายไปเหลือแต่ความอยากเที่ยวอีกถ้าไม่ได้เที่ยวก็ทรมานใจ พวกเราจึงต้องออกไปเที่ยวกันบ่อยๆอยู่บ้านกันไม่ติดวันธรรมดาวันหยุดแทนที่จะอยู่บ้านพักผ่อนให้สบายกลับอยู่ไม่ได้เพราะมันมีความอยากเที่ยวอยากไปซื้ออยากจะไปดูอยากจะไปฟังอะไรต่างๆที่ไม่จำเป็นที่จะต้องดูต้องฟังต้องซื้อแต่เพราะมีความอยากซื้ออยากดูอยากฟัง ก็เลยต้องออกไปถ้าอยู่บ้านเฉยๆก็งดเหตุรำคาญใจนี่คือผลรู้โทษที่เกิดขึ้นจากการที่เราไปทํากิจกรรมทางตาหูจมูกเิ่นกายกันการไปหาความสุขทางตาหูจมูกเิ่นกายกันเปรียบเหมือนกับการไปเสพยาเสพติดเสพ บ, บุหรี่เสพสุรา เสบกาแฟาพอเสบของพวกนี้แล้วมันจะติดต้องเสบอยู่เรื่อยๆถึงจะมีความสุขถ้าเวลาที่ไม่ได้เสบก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่คือสิ่งที่พวกเราไม่เห็นกันไม่มองกันเรามองแต่เหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเราไม่มองลึกเข้าไปว่าภายใต้เหยื่อนี้มันมี เบ็ดที่จะคอยเกี่ยวปากเราอยู่การกระทำตามความอยากต่างๆนี่เป็นโทษทั้งนั้นความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นการเช่นการไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวตามแหล่งบันเทิงต่างๆหรือการซื้อความมีความอยากซื้อของที่ไม่จำเป็นต่างๆเช่นเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋า ของที่เรามีอยู่เหลือเฟือไม่มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อแต่เห็นแล้วก็ชอบกพเห็นเพราสวยงามอยากจะได้ขึ้นมาก็เลยต้องซื้อซื้อแล้วเดี๋ยวเงินก็หมดแต่ความอยากไม่หมดไปกับเงินพอเงินหมดก็ลำบากต้องไปหาเงินมาใหม่จึงทำให้ต้องหาเงินแบบง่ายๆเร็วๆ มากมากวิธีที่จะได้เงินมามากมา ก, มากง่ายๆเร็วๆก็มักจะต้องทำผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายพอทำไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปรับโทษอ า, อาจจะถูกเขาจับไปเข้าคุกเข้าตารางหรือถ้าไม่โดนจับก็มีโทษที่เกิดจากบาปที่เราทำที่มันจะตามเราไปหลังจากที่เราตายไปแล้ว ถ้าทำบาปเราก็จะไม่ได้ไปสวรรค์กันเราก็จะไปเกิดในอบายกันไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปตกนรกกันเพราะความอยากหาเงินง่ายๆเร็วๆมากๆ ก, ก็ต้องหาโดยวิธีทุจริตกันพวกที่เขาคอร์รัปชันกันนี่เขารวยกันเป็นร้อยล้านอันล้าน ถ้าทำงานกินเงินเดือนทำไปร้อยชาติก็ไม่ได้ร้อยล้านพันล้านเขาก็เลยต้องไปช่อโกงช่อราดบังหลวงเพื่อที่จะได้เอาเงินมาใช้ตามความอยากต่างๆแต่ต่อให้ใช้ได้มากน้อยเพียงไรความสุขที่เกิดจากการได้ใช้เงินมันก็หายไปหมดมเหมือนควันบุหรี่ควันไฟ เวลาได้ใช้ก็มีความสุขนีพอหลังจากนั้นมันก็หายไปเพราะความอยากจะใช้เงินมันโผล่ขึ้นมาใหม่ซื้อสิ่งนี้แล้วเดี๋ยวก็อยากจะซื้อสิ่งนั้นต่อแล้วพอไม่มีเงินซื้อก็ไม่สบายใจหงรธเหงิง่ใจก็เลยต้องทําให้ไปทําผิดกฎหมายไปทําผิดศีลละธรรมเพื่อจะได้มีเงินทองมาซื้อของที่อยากได้ ต่อให้เราซื้อมามากน้อยเพียงไรก็ตามความอิ่มความพอจะไม่เกิดจากการกระทาตามความอยากนี่คือโทษที่จะตามมาแก่จิตใจของพวกเราและหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วความอยากที่มีอยู่ในใจมันยังไม่ได้ตายไปกับร่างกายมันก็จะพาให้เรากลับมาเกิดใหม่เพราะเรายังอยากที่จะใช้เงินใช้ เงินซื้อความสุขต่างๆกีนี่ก็เลยเป็นที่มาของการเวียนว่ายตายเกิดเกิดแก่เจ็บตายกันแต่พวกเรานี้ไม่มีวันรู้ได้ว่าการที่เราต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายซ้าแล้วซ้าอีกก็เป็นเพราะว่าเกิดจากความอยากของเราอยากที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันไม่มีใครรู้ในโลกนี้ แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ากลับมาเกิดซ้าแล้วซ้าอีกเพราะเราละลึกชาติกันไม่ได้บางทีเราก็คิดว่าพอร่างกายนี้ตายไปแล้วเราก็หายไปเราก็จบแต่ความจริงเราไม่หายเพราะเราเป็นสิ่งที่ไม่ตายใจผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนี้เป็นสิ่งที่ไม่ตาย มีแต่ร่างกายที่ตายไปแต่ใจผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆยังต้องไปรับผลของบุญของบาปที่ทำต่อไปถ้าทำบุญก็ได้ไปสวรรค์ถ้าทำบาปก็จะไปอาบายแล้วพอใช้บุญใช้บาปหมดแล้วก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพราะยังมีความอยากที่จะหาความสุข ทางตาหูจมูกนิ้นกายก็ต้องมีร่างกายต้องมาเกิดถึงจะมีตาหูจมูกนิ้นกายพ อ, อมีแล้วก็ไม่ต้องมีใครสอนเรื่องการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายนี้พ่อแม่ไม่ต้องสอนหากันเองรู้เห็นอะไรชอบก็อยากได้ได้ยินอะไรชอบก็อยากฟังกินอะไรชอบก็อยากจะกิน มันติดมาของพวกนี้ไม่ต้องสอนกันมีแต่ต้องคอยเบรคคอยห้ามกันเช่นเด็กๆนี้ต้องคอยห้ามอย่าไปมีแฟนกัน mm. เรื่องมีแฟนนี้ทําไมไม่ต้องสอนกันเพราะมันเคยมีแฟนมาไม่รู้กี่ล้านครั้งแล้วมันมีมาจนติดเป็นนิสัย mm. พอมาเกิดพอร่างกายมันเป็นตัวของมันเองได้ไปทําอะไรเองได้ สิ่งแรกมันก็คิดถึงก็คือหาแฟนก่อนเพราะว่ามันคิดว่าพอมีแฟนแล้วจะมีความสุขแต่พอมีเข้าจริงๆมันกลับมีความทุกข์ขึ้นมามีลูกเนี่ยบางทีเรียนยังไม่ทันจบก็ไปมีลูกเสียก่อนแล้วใครจะเลี้ยงลูกตัวเองยังเลี้ยงตัวเองไม่ได้ก็ต้องเดือดร้อนพ่อแม่อกีกต้องเอาลูกมาให้พ่อแม่เลี้ยงอีกตัวเองยังต้องไปโรงเรียน อันนี้เป็นของที่ถ้าของของไม่ดีนี้ไม่ต้องสอนแต่ของดีนี้ต้องสอนเพราะว่าไม่เคยทำของดีๆกันชอบทำแต่ของไม่ดีกันจนติดมาเป็นนิสัย <Yeah. S 1> จึงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่มีประสบะการณ์มาแล้ว <Yeah. S 1> เห็นโทษของการกระทา <Yeah. S 1> การหาความสุขทางร่างกาย เมื่อตัวเองยังไม่พร้อมว่าจะมีปัญหาอะไรต่างๆตามมาจึงต้องคอยสอนคอยห้ามลูกไม่ให้ไปทำในกิจที่จะเป็นโทษสอนให้ไปทำในกิจที่เป็นคุณเป็นประโยชน์เช่นสอนให้ไปโรงเรียนไม่ตั้งใจเรียนหนังสือเรียนให้จบก่อนพอมีความสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้แล้ว ทีนี้อยากจะไปเลี้ยงคนอื่นก็ไปแต่อยามาโยนภาร ะ, ะให้พ่อแม่พ่อแม่เลี้ยงลูกแค่นี้ก็พอแล้วยังจะต้องให้มาเลี้ยงหลานอีกไม่ไหวก็เลยต้องหักห้ามคอยสอนนี่คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าจิตใจของพวกเราเนี่ยมันมาจากชาติก่อนมันมีความอยากติดตามมาแล้วมันไม่ต้องสอนการเรื่องของความอยาก มีแต่ต้องคอยห้ามกันคอยเบรกกันพวกเราชาตินี้โชคดีเราได้มาเจอกับคำสอนของพระพทธเจ้าได้เจอกับพระพทธศาสนาที่เห็นโทษของการกระทำการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะมันจะพาไปสู่ความทุกข์สู่ความวุ่นวายใจต่างๆแล้วก็มาสอนให้พวกเรามาหาความสุข แบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายกันใจของเรานี้สามารถมีความสุขได้โดยไม่ต้องไปหารูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปดื่มไปรับประทานอะไรต่างๆไปดูไปฟังสามารถหาความสุขได้จากการทำใจให้สงบสามารถหาความสุขได้จากการาลดละความอยากต่างๆ ความอยากทำให้เราหิวทำให้เราร้อนทำให้เราไม่สบายใจถ้าเราลดมันได้หยู่มันได้ความร้อนความหิวมันก็จะเบาบางลงอย่างวันนี้เป็นวันหยุดแทนที่ญาติโยมจะเอาเงินไปเที่ยวกัน mm. ก็นเอาเงินมาซื้อข้าวของมาทำบุญมาถวายพระอันนี้ก็เป็นการสวนกระแสของความอยาก วันนี้อยากเที่ยวแต่เปลี่ยนใจไม่เที่ยวสักวันหนึ่งวันนี้จะมาทาบุญเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้นะซื้อข้าวของมาทาบุญนะก็จะทำให้เราฝืนความอยากเที่ยวไปได้หนึ่งครั้งทำให้ใจเราเบาขึ้นอีกหน่อยทำให้อยู่เฉยๆได้แล้วพอมาทาบุญเอาความสุขมาให้แก่ผู้อื่นความสุขนั้นก็กลับไปหาที่ใจเรา ทำให้เรามีความรู้สึกมีความสุขมีความอิ่มเอิบใจกลับบ้านก็ไปอยู่บ้านเฉยๆได้มีงานที่บ้านต้องทำเยอะแยะก็จะได้ทำกันจะได้กวาดบ้านถูบ้านทำความสะอาดจัดบ้านให้มีระเบียบให้มันเรียบร้อยเพราะว่าวันธรรมดาต้องรีบไปทำงานจะไม่มีเวลากัน อันนี้คือประโยชน์ที่พวกเราควรที่จะทำกันทำประโยชน์ให้กับจิตใจของเราแล้วความสุขที่เราได้จากการทำบุญนี้มันไม่มีความทุกข์ตามมาสมมติว่าเราไม่มีเงินทำบุญเราก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนเราไม่ต้องเราจะไม่มีความอยากทำบุญเหมือนกับอยากเที่ยวเพราะะนั้นการทำบุญนี้จะจะไม่ทำให้เกิดความอยากนี่คือ เรอของการกระทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับเราไม่มีใครจะรู้ดีเท่ากับพระพุทธเจ้าดัางนั้นพวกเราจึงต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมคําสอนเชื่อภาษาเวทของพระพุทธเจ้าเ พ, พราะภาษาวทนี้ท่านก็เป็นผู้เชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามจนทําให้ท่านเป็นผู้ที่ ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเป็นผู้ที่ไม่มีความอยากเป็นผู้ที่มีแต่ความสุขตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องมีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองแต่กลับมีความสุขมากกว่าพวกเราที่มีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองมีอะไรมากมายกายกองเพราะสิ่งที่เรามีนี่นอกจากจะให้ความสุขกับเราแล้วมันจะต้องให้ความทุกข์กับเราด้วย ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถาวรเป็นเป็นสิ่งชั่วคราวมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการหมดมีการดับไปได้เวลามันเปลี่ยนเวลามันหมดเวลามันจากเราไปความทุกข์ก็จะเข้ามาทันทีนี่คือสิ่งที่พวกเราทำกันกำลังหาความทุกข์เข้าใส่ใจของพวกเราเพราะความหลงคิดว่าเป็นความสุขเหมือนกับปลาที่เห็นเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ด คิดว่าเป็นความสุขพอหุบเหยือ่อก็ไปแล้วก็ถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากนี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะศึกษากันแล้วก็พยายามทำตามสิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งสอนพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราละการหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายแล้วให้หาความสุขทางใจด้วยการทำบุญ อันนี้ก็จะทำให้เรามีความสุขใจขึ้นมาแล้วถ้าเราต้องการความสุขใจมากกว่าความสุขที่เราไดจากการทำบุญท่านก็สอนให้เรารักษาศีลกันถ้าเรารักษาศีลห้าได้ใจเราจะไม่วุ่นวายจะไม่วิตกไม่กังวลไม่รู้สึกหวาดกลัวแต่ถ้าเราทำผิดศีลนี่ใจเราจะไม่สบายไม่มีความสุข อันนี้ก็จะทำให้เรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นถ้าเรารักษาศีลห้าได้ถ้าเราละเว้นจากการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปลดเดื่มสุรายามเมาได้ใจของเราจะมีความสุขมากขึ้นเพราะความทุกข์ความวุ่นวายใจจะน้อยลงไปนั่นเองแล้วถ้าเราเพิ่มจากศีลห้ามาเป็นศีลแปดได้ ก็จะยิ่งมีความสุขมากขึ้นเพราะเราจะกําจัดการไปหาความสุขทางตาหูจมูกกลิ้นกายกันถ้าเราไม่ถือศีลแปดเรายังไปเที่ยวกันได้ยังไปทําอะไรต่างๆได้แต่ถ้าเราถือศีลแปแล้วนี่เราก็ไม่สามารถที่จะทําได้ไม่สามารถหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับแฟนเราของเราไม่สามารถหาความสุขจากการรับประทานอาหาร หลังจากเที่ยงวันไปแล้วไม่สามารถไปเที่ยวไปดูหนังดูละครไปร้องลำมทำเพลงไม่สามารถแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมหน้าทาปากทำเเผาทำผมอะไรต่างๆก็จะทำให้เราในเวลาที่เราจะได้มาหาความสุขทางใจที่ดีกว่าความสุขที่เราจะได้จากการไปเที่ยวกันความสุขนี้ก็คือ ความสุขที่เกิดจากการทาใจให้สงบนั่งสมาธิกันคอยควบคุมความคิดอย่าให้คิดเพราะถ้าคิดแล้วใจจะไม่นิ่งจะไม่สงบคิดแล้วจะฟุ้งซ่านคิดแล้วจะเกิดอารมณ์จะเกิดความอยากขึ้นมาถ้าเราหยุดความคิดได้ใจเราจะว่างจะเย็นจะสบายมีความสุข<ม>โดยที่ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องมีอะไร คนที่เขามาอยู่วัดมาถือเสียงแปดเขาไม่มีอะไรเหมือนกับคนที่อยู่บ้านคนที่อยู่บ้านมีทุกอย่างมีอาหารกินตลอดเวลามีมหระรสสบันเทิงต่างๆให้ดูให้ฟังมีแฟนให้หลับนอนด้วยแต่กลับไม่มีความสุขเหมือนกับคนที่มาอยู่วัดคนที่มาอยู่วัดนี้เขาตัดความอยากการหาความสุขจากทางร่างกายได้ เขาก็ไม่ต้องมาวุ่นวายเพราะความสุขทางร่างกายนี้มันต้องไปหามาหาคนนั้นมาหาสิ่งนั้นมาหาสิ่งนี้มาถ้าหาไม่ได้ก็ก็เหงาเช่นถ้าไม่มีแฟนอยากจะมีแฟนหาแฟนไม่ได้อยู่บ้านคนเดียวก็เหงาแต่ถ้าพอได้แฟนมาเดี๋ยวก็มีปัญหากับแฟนอีกเดี๋ยวก็มีความเห็นไม่ตรงกันก็ต้องทะเลาะบอกแว้งกัน นี่คือความสุขที่พวกเราหากันมักจะมีความทุกข์แท้นมาเสมอพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราหยุดหาความสุขแบบนี้กันให้มาถือศีลแปดกันแล้วให้ผ่มาทำใจให้สงบกันมาหัดนั่งสมาธิกันตอนต้นถ้ายังนั่งไม่ได้ก็ให้นั่งสวดมนต์ไปก่อนเพราะการสวดมนต์ก็จะทำให้เราไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ใจเราก็จะว่างจะเย็นได้ พอใจว่างเย็ดแล้วมีกำลังที่จะนั่งสมาธิก็นั่งต่อไปนั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกไปถ้าเราคอยควบคุมใจให้เฝ้าดูแต่ลมไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องต่างๆเดี๋ยวใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่แล้วเราจะพบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยพบมาก่อนเป็นความสุขที่มหัศจรรย์ใจอย่างยิ่ง เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงต่อให้เป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็จะสู้กับความสุขที่ได้จากความสงบนี้ไม่ได้ความสุขแบบนี้แหละที่ทำให้พระพุทธเจ้าสละราชาสมบัติได้เพราะท่านเห็นว่าเป็นพระราชาโอรสสู้การมีความสงบไม่ได้ถ้าเป็นพระราชาโอรสก็ต้องวุ่นวายกับการ บริหารบ้านเมืองจะจะไม่มีเวลามาทำใจให้สงบ <c oughs> ท่านจึงสละราชสมบัติแล้วก็ไปหาความสงบ <c oughs> ไปรักษาศีลแปดไปนั่งสมาธิกันแล้วก็ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพบวิธีที่จะสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ให้อยู่กับใจไปอย่างถาวรเพราะพระ อ, องค์ทรงค้นพบเหตุ <c oughs> ที่ทำให้ ใจของพวกเราไม่สงบกันใจของพวกเราไม่สงบก็เพราะกิเลสตัณหาอนี่เองพออยากแล้วมันก็อยู่เฉยเฉยไม่ได้พอโลภแล้วก็อยู่เฉยเฉยไม่ได้พอโกรธก็ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมากินไม่ได้นอนไม่หลับไม่มีความสุขเลยแต่พอเรากาจัดความโลภความโกรธความหลงได้ความอยากต่างๆได้จะไม่มีอะไรมาทำให้ใจเราวุ่นวาย ใจของเราจะสงบเหมือนน้ําที่นิ่งไปตลอดเวลาน้ํานิ่งแล้วก็น้ําก็จะใสใจนิ่งใจก็จะใสใจจะสว่างใจได้มีแต่ความสุขไปตลอดแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกต่อไปเพราะไม่มีความโลภความอยากที่จะได้อะไรไม่มีความโลภความอยากที่จะหาความสุขทางตาหูจหมูกเิ่นกายก็เลยไม่ต้องมีร่างกายอีกต่อไป นี่คือความสุขที่พวกเราจะควรที่จะขวนขวายหากันในเวลาในวันเวลาที่เรามีเวลาว่างอย่างวันนี้หรือในอนาคตข้างหน้าถ้าเรามีเวลาว่างอย่าคิดไปเที่ยวอย่าคิดไปหาความสุขทางตาหูจมูกเิ่นกายให้มาคิดหาความสุขทางใจกันหาเวลามาอยู่วัดกันมาทำบุญทำทานมารักษาศีล มานั่งสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมกันแล้วต่อไปเราจะไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆจะมีแต่ความสุขเพียงถ่ายเดียวก็ขอฝากเรื่องของการใช้เวลาในวันหยุดให้เกิดคุณเกิดประโยชน์นี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิจิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความสบายใจและความสิ้นทุกข์ต่างๆ